พวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เล ย, ยสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทําไมว่าเพลาะอะไรปนหกขอใครที่ในกันสิ่งที่เธอนันต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องพนดูาราเหตุผล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 า ก, ก, ก, การส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับตันง่ลทอะไรทไดีหรือนั้นคือก